ที่พระพุทธเจ้ า, าทรงบัญญัติผู้รักษาตั้งแต่ศีลบรูสดขึ้นไปถึงเดนถึงพระวม่แมให้นั่งให้นอนที่นั่งที่เหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในย่าต้นนุ่นและสัมและสัลีนั้ น, นการกรัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเคลินในความผ้า่ยนของตนพระองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มภูมิเกลเลตทั้งหลายพยายามตัดหนทางที่จะเพิ่มภูมิเกลเลตของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งทั่วไป ในบรรดาที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดขึ้นไปมีหมายถึงศีลถ้าหมายถึงธรรมก็ไม่มีธรรมข้อใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติมีความประมาทนอนใจมีแต่สอนให้มีสติให้ระมัดระวังไม่มีความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเรียกว่าเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยปรากฏในบทใดาบารใดว่าพราะองค์สอนให้ลดละความภาคเพียร มีความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวะาก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นเราจะเห็นได้ท่านเช่นท่านสอนคารวะาในบทธรรมว่าอุทธธานสัมปทาเนี่ยให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นห่นเพียรในกิจการงานที่ชอบเนี่ยารักษ์สัมปทาเมือ่อแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบธรรม พยายามเก็บหอมรอมิแต่าค่สุรุ่ยสุรายกัญญานมิตรตตาให้ระมัดระวังอยา่าคบให้โคบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพวกปาปลอมมิตรจะเป็นเหตุให้เสียได้เพราะคนเราเมื่อโคบกัดแปลนานย่อมกลมคืนเป็นไปในรอยเดียวกันได้เป็นทาง คนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือคบคนชั่วก็เป็นคนชั่วไปได้ก็คนดีก็เป็นคนดีไปได้สมรชีวิตตาใเลี้ยงชีพพอประมาณอย่าซุลูซุล่ายุ่มเฟ้อเหงืลืมเนื้อลืมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่ควรเก็บเหตุผลที่ควรจ่ายนะเราฟังดีมีจุดไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ควรมีความลืมตัวไม่มีเพราะฉะ น, นั้นคำว่าประหยัดมัธยัตย์จึง เ, เป็นหลักประกันแห่งการคลองคีพของบุคคลทัว่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัตย์ให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติเงินทองมีมากมีมากน้อยอย่าให้เป็นค่าสึกแก่ตนเพราะความลืมตัวนั้นเลยนี่ สอนคารวะต่างสอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทำเป็นภาคทั่วไปแล้วจะยึดปฏิบัติให้เหมาะสมกับทำขั้นใดหรือการหลีกใจหรือผู้ปฏิบัติในขั้นในไดได้ทั้งนั้ น, นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นง่ายมีความประหมาอุบายวิธีที่จะ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 สิ่งที่มีอยู่แล้วก็พยายามลื้อถอนออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามนะักความขยันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะักไม่ให้นอนใจทั้งนั้นในอปันนกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สําหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือสอนพระอปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่สําเสมอนะ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 ก็ พ, พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักษาอายาธในการพักนอนท่านสอนไม่โดยลำดับการปฏิบัติโดยส ม, ม่ำเสมอเช่นนี้ชื่อว่าอปัณกำปฏิปฏาทานผู้ที่รีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความชอบยิ่งขึ้นไปแต่ย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้ย่อนกว่านี้ได้ยินแล้วอยากหลับอยากนอนเมื่อไรดก็นอนอยากกินอยากขบอยากชันแล้วก็ชันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะอย่าง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 แล้วเป็นไปโดยลําดับกิเลสประเภทหยาบก็ต้องใช้มัชฌิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรยียกว่ามัชฌิมาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสดุจลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นๆท่านเรียกว่ามัชฌิมาสําหรับกิเลสขั้นนั้ น, นะ อ, อถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดลอนั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมด ไม่ว่าแต่เดินจมกรมแล้วถึงจะเรียกว่าความเพียรนั่งสมาธิอยู่ถึงจะเรียกความเพียรนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามไม่ว่าเอียบทใดๆเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นต้องเป็นความเพียรโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทําความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนมัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพื่อแก้ทีเหลือซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เรียกว่ามัชชิมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่งั้นเช่นกับน้ํำซับน้ํา ซึน้ำซับน้ำคำไหลยิงดึงงั้นทั้งแรงทั้งฝนไม่เหือดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกันการแก้กิเลสประเพณนี้แก่ฉะนั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพินิจพิจารณากันอย่างละเอียดภายใน่รวมแล้วก็ไม่ท่านก็เรียกว่ามัชชิมาเราผู้นำมาปฏิบตัต ทำาไมาถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการของการแก้กิเลสประเภทนั้นๆมันก็ไม่ได้ผลนี่กิเลสนั้นหนาความขี้เกียจก็มากความหมอนแอร์มันต้องมากนี่ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันแล้วความเพียรก็ต้องด้อยนี่มันจะเข้ากันได้อย่างไรกิเลสหนานั่นเองมันตึงขี้เกียจมีความทุกข์มากถ้ากิเลสบางแล้วความทุกข์ก็น้อยแต่ตอนที่เราจะทากิเลสนั้นหนาเนี่ย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 ได้เพราะความอดความทนได้เพราเพราะความฉลาดแหลมขมพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาแล้วฆ่ากิเลส ต, ตายไปโดยลําดับดับจนกระทึงถึงขั้นศาสดานั้นท่านฆ่าได้ด้วยวิธีใดท่านปราบกิเลสด้วยวิธีใดออด้วยความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรไม่ถอยติดตามเรื่อยๆกิเลสไปไหนตามกิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเห็นอะไรตามทั้งไปทั้งข้างหน้า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 จนกระทั่งได้เป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความเป็นนักรคโดยอุบายสติปัญญาอันแหลมคมท่านกับการแก้กิเลสหรือปราปรามกิเลสทั้งหลายให้หลุดลอยไปจากพระไถยกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานเราเป็นพวกเราเป็นสากยาบุตรพุทธกินโรตคือพุทธเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้า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 ประเภทกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ท้งวิ่งไงไม่ว่างไรสู้มเราไม่ได้มันก็วิ่งหนีตั้งแต่เราสู้มันมาแล้วมังวิ่งหนีไม่ว่างไรเราสู้ไม่ได้วิ่งหนียังไงก็วิ่งหนีจากทานยังกลมมัง่งวิ่งหนีจากที่นั่งส ม, มาธิภาวนาววิ่งหนีจากความพลาดความเพียรคือการลดน้อยถอยกําลังตนลงไปโดยลำดํา ด, ดับที่จะเป็นเหตุใหกิเลสไล่ตามนั่นแหละหรือเรียกว่าวิ่งทั้งนั้นแหละสู้ไม่ได้ก็ถอยถอยถอย ถอยทายมัก็ยิ่งเหยียบย่ำทำลายกันไปเดิมลบเราอยากเข้าใจว่าถอยแล้วจักพ้นการถอยกิเลสไม่มีทางพ้นนอกจากการสู้เท่านั้นจะพ้นกว่าจากกิเลสส่นอย่างอื่นเราวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดไปได้แต่การวิ่งหนีกิเลสนี้นั่นและคือการเอาคอเข้าไปสวมให้กิเลสฟันเอาฟันเอาฟันเอ า, เอาอแหละไปหมดนี่เราจะหาทางใดเป็นทางออกวัฏฏวนนี้เราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามเราถือหลักปัจจุบัน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 ไม่ใช่เมื่อวันปีเดือนไม่ใช่การสถานที่แต่เป็นเรื่องของที่เลดโดยตรงเป็นผู้กีดกันห่วงห้ามเราอย่างลึกลึกลับ ล, บลบอย่างเปิดดังเผยแต่เรามันตาบอดไม่มองเห็นความลึกลับความเปิดเผยของที่เลดที่แสดงตัวกลานกลางห่วงห้ามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะพ้นจากเขาเขาเป็นเจ้าอำนาจครองใจมานานพอเขาขยับออกงนิดนึง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 กิเลสธนาอาสวะที่เรียกว่าสมุทยัยเท่านั้นไม่เป็นอย่างเมื่อรู้นี่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนโลกระทูรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งธาตุแจ้งขันแจ้งรู้แจ้งต่อจิตใจของตนนี่เท่านั้นเป็นสําคัญนี่แหละอุบายวิธีแก้กิเลสปราบปรามรกิเลสให้ปราบปรามลงที่ตรงนี้อย่าไปลูปไปครลำที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพระรไกรปิฎกก็อยู่ที่นี่นี่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 เราต้องการความฉลาดเราเราต้องการความแหลมคมภานจิตใจของเราเราต้องการความดุดพ้นเราจึงโค้น ล, ลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบังถูกผูกติดมากอยู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดพันลงไปจนแหลกกระจารย์ไม่มีอะไรเหลือถึงความจรงิงนวล้วนนั้นแหละท่านเรียกว่าดูดพ้นแล้วจากกิเลซึ่งเคยเป็นนายลามากดกับอีกกันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์พร้อมสอนมาเป็นนานได้เห็นตัวของมันและถอดถอนมันไป